พระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามีสมาธิมีพระสติปัญญาดีเมื่อสําเร็จแล้วเกิดมีความเมื่อหน่ายต่อโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากโกรธโลกแต่พระองค์หาได้เป็นเช่นนั้นไหมเมื่อสาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในบางตอนต้นตอนต้นต้ น, น, น, นแปลกๆนั้นมาพิจารณาว่มมาธรรมะที่ตัลโลนี้มันเป็นของละเอียดถุกผุม อยากติเวไน้ตัดจะเพึงรู้ตามเห็นตามได้บางครั้งก็รู้สึกว่าพอแท้ในพระไทยไม่อยากจะแสดงกลัวจะไม่มีผู้รู้ทันหรือรู้ตามจนกระทั่งมีผู้กล่าวว่ามีเท้ามหาพรหมลงมาาราชนาให้พระองค์ทรงแสดงคำความจริงท้ามหาพรหมที่มามาอาราธนานั้น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 คนธรรมพ่อนั้นจึงได้ชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้อหนึ่งในบรรดาพระคุณทั้งสามประการแล้วพระองค์ก็ทรงทำประโยชน์แก่โลกอย่างกว้างขวา ง, างจนสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในจมูทวีปแห่ขยายกว้างขวางมาถึงเมืองไทยเราเราได้รับเป็นศาสนาทายาทต่อพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ ประกอบข้าที่ปิดละพุทธเจ้าสำเร็จเป็นแล้วสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ได้เบื่อหน่ายต่อการที่จะทําประโยชน์แก่โลกนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้มีภูมิปีนภูมิทำหรือมีความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นจึงไม่มีทางที่จะเบื่อหน่ายต่อโลกแต่ไม่ยึดถือโลกด้วยอํานาจของกิเลจจะมีก็มีแต่ความเมตตา มีความบังทีเห็นอย่างคนหน้าคณะของท่านได้ชักชวนกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมรับการอบรมสมาธิอยู่ก็แต่ถ้าท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมที่จะต้องทำประโยชน์แก่ตนเองและชาวโลกตามสมควรอันนี้คือวิถีความรู้สึกภายในจิตของผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้น นายจะพูดให้ชัดๆลงไปาหาสมมติว่าพ่อบ้านนั่งสมาธิภาวนาเป็นมีภูมิจิตภูมิธรร ม, ม, มเบื่อนายต่อครอบครัวอยากจะหนีจากครอบครัวอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องเมื่อบ้านภาวนาเป็นแล้วมีภูมิจิตภูมิธรรมเจดเบื่อหายต่อการที่จะทํากับข้าวกับปลาหงข้าวหงปลาให้ครอบครัวรับทานอันนั้นก็ไม่พอ ดวยเหตุผลในเมื่อทำเป็นภาวนาเป็นรูดรู้ธรรมเห็นธรรมมีภูมจิตภูมิธรรมดีจะต้องมีความรู้สึกสานึกในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบเป็นจิตวัตรประจำวันดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนางกุลธิดาซึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีแล้วก็เป็นกระโรนยาบันตั้งแต่ยังเด็กยังเล็ก บางเอิงเพราะผลกรรมบันดาลได้ไปเป็นภรรยาของนายพานผู้จับสัตว์ป่ามาขายในท้องตลาดทางตอนที่ท่านคนณท่นเป็นพระโสดาบัณฑเวลาสามีของท่านจะเข้าป่าไปจับสัตว์ท่านก็เตรียมสเสบียงอาหารให้เตรียมเครื่องมือให้จะภายในจิตของท่านไม่ได้เลี่ยว่าให้เขาไปจับสัตว์มาให้ได้มากๆเกินกระทงมี เราสังขาหาอาจารย์ตั้งเป็นปัญหาถามกันขึ้นมาการที่พระโสดาบันกระทำเช่นนั้นจะไม่ผิดคุณธรรมของพระโสดาบันหรือพระอัจฉรทาจารย์ก็แก้ว่าไม่ผิดเพราะท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นภรรยาที่ดีอันนี้คือเป็นกติกาอย่างเพราะฉะนั้นผู้ใดสำเร็จคุณธรรม แม้จะได้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของตนเรื่มีภูมิปิตุภูมิทำตามสมควรก็ตามหรื อ, อ, อได้เป็นอริยะบุคคลอย่างที่ไม่มีใครโล้ก็ตามจะมีความสลับในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นอย่างดีจึงจะได้เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบในเม่จิตใจตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ ก็มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องประทับประกอรจิตเจตจำนเนินกระสู่ภูมิจิตภูมิธรรมที่ถูกต้องจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปีปฏิบัติทอบด้วยประกาศนัตตนตอนนี้ไปเขาได้ลดทำความสงบจิตพิจารณาธรรมที่ตนเคยรู้เคยเห็นมาแล้วการพิจารณาธรรมนั้นสิ่งใดที่เราพิจารณาแล้วทำให้เราเกิดผล เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาขอให้พิจรณาล า, าอันนั้นซ้ําๆำซากซ บ, บ่อยๆย้ำอยู่ทีดของเก่านั่นแหละอย่าไปเปลี่ยนเพื่อทําให้ทจำนี้จานานเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วคงจิตคงธรรมมันจะค่อยขยายวงกว้างออกไปเป็นลําดับลาดับอาจับโนดนวางนี่ไม่เป็นหลักฐานมั่นคงแล้วจิตของเราก็จะกลายเป็น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 เอา ส, สิ่งเดียวเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปปล่อยเข า, มาเมื่อเจตมันธรู้เส้เขียนจริงในอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ถอนมปวทานความยึดมัน่นถือมั่นไปเองที่เลือัญหามันก็ค่อยหมดไปเองเราจะนั้นจงย็ดหลักให้มัน่นคง ถ้าเราสามารถที่จะทาได้ทุกอิริยาบถหลักตาก็ทำได้ดื่มตาก็ทำได้นอนทำก็ทำได้ถ้าเราไม่นึกอะไรบริกรรมภาวนาในใจเรากำหนดไว้ที่ใจว่ารู้อะไรได้จะตามรู้ให้มันทันวามคิดคิดอะไรขึ้นมารู้ทันรู้ให้ทัน เราทำอะไรต้อให้มันทันการกระทำา้องเราคิดอะไรให้มันทันความคิดของเราพูดอะไรให้ทันความความพูดของเราให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการทาสมาธิไม่ต้องบริกรรมภาวนาอะไรกระนั้นสำคัญอยู่ที่การทำสติเป็นอย่างท่านที่สอนว่านั่งนอกินหนอเดินหนอยกนอก้าวย่างนออะไรพวกนั้น อันนี้คือการทำทาสติคือการปฏิบัติสมาธิอย่าเอาไปเสียงกันนั่นแหละคือการทำสติไปได้ในหลักมหาสติสถานที่ว่าก้าวไปก็รู้ถอยกลับก็รู้โคยเหยียบก็รู้เราจะนเกคิดอะไรก็รู้รู้อยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกัน น, นั่นแหละ อย่าไปเถียงกันให้มันลําบากการปฏิบัติทั้งหมดไปเถียงกันได้บนนับปฏิบัติสาธารณะพุดแทนที่จะช่วยกันทําการเจริญแล้วก็ไปทะเลาะกันเพาความยึดเย็นไม่ตรงกันเองทํานองนี้อันนั้นมันเป็นวิธีการแต่ผมนี่มันเกิดขึ้นภายในเราจะรู้จริงเห็นจริงนั่นมันเหมือนกันหมดโดยอีกอย่างหนึ่ง อาจจะมาก็ไม่เข้าข้างใครหรอกนะมีพู้กล่าวว่าสอนให้ทำใจว่างเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านคงจะเคยได้ยินใครปฏิบัติทำใ้ว่างเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนคนให้ทำให้ว่างก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เราไม่ได้ตั้งมีใคร แต่ถ้าพู้สอนนั้นใช้คำว่าตรงทำจิตให้ว่างแล้วท่านจะสำเร็จนิพพานในช่วงที่จิตว่างโดยไม่ชี้แจงเหตผลอันนี้ก็ชวนให้ผู้ฟังเข้าใจผิดเหมือนกันแต่ความจริงนั้นนักภาวนานี่ถ้าจิตไม่ว่างแล้วภูมิธรรมจะไม่เกิดเป็นอย่างมสมมติว่า เราอยากจะรู้ว่าอันนี้จังคืออะไรเราติทานจิตของเราล้วปริกรรมภาวนาหรือพิจารณาถ้าในขณะที่เรานึกว่าคืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไรอยู่นั้นเราจะไม่รู้ว่าอ น, นิีจังคืออะไรเมื่อจิตมันนึกอยากจะรู้แต่เหนเน่ยปล่อยวางพุกอยู่ในลักษณะที่ว่างพอวางตบเมื่อไแล้ว ทำว่าอนิจจังคืออะไรมันจริงจะเกิดขึ้นเราจะนั่นนะับทำสมาธินี่ถ้าไม่สามารถที่จะทำจิตให้ว่างเป็นเล่งได้เมื่อไหร่แล้วเราจะไม่เกิดพงความรู้ขึ้นมาอย่างน้อยก็ต้องมีอาการรูกว่างแล้วก็ว่างพักหนึ่งแล้วจรงจะเกิดพงความรู้ขึ้นมาจะรู้อะไรก็ตับอัตตาแต่ยังมีความอยากรูก้อยากเห็นอยู่จะไม่มีทางรู้เห็นได้เลยนอกจากเราจะเดาคาดทะเอาเอง ความรู้จริงเห็นจริงจะไม่เกิดขึ้นอันนี้ขอให้ทาําความเข้าใจอย่างนี้ถ้าใครสามารถทำจิตให้ว่างได้นะ่ะเป็นดีที่สุดในขณะที่เราอยากรู้อยากเห็นอะไรนั้นเช่นอย่างผมบว่าเราจะถามปัญหาตัวเองว่าสังขารคืออะไรก่อนที่เราจะรู้ว่าสังขารคืออะไรนี่เราจะต้องคิดหาเหตุผลก่อนว่า สังขารนี่มันคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีเท่าไร่อะไรจำลองนี่ตามแบบปริยัติของเราทีนี้ในเมื่อเราพยายารณาค้นคว้าไปบางครั้งสังขารมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะอย่างนี้จึงรีวกว่าสังขารเพราะมันปรุงเพราะมันแต่งเพราะมันไม่มีทางที่จะยับยั้งในการที่ปรุงแต่งอะไรต่างๆเราคิดของเราไปอย่างนี้ในช่วงนั้นข้ามันจะรู้จริงขึ้นมาแล้ว จิตของเราจะวูบว่างไปสู่ความสงบว่างนิดหนึ่งแล้วมันจึงเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเพราะว่างปจิตนิ่งอยู่พัพพกหนึ่งพอเกิดจิตไหวปุบขึ้นมานิดหนึ่งจะรู้ทันทีว่าอาจจะมีคําตอบขึ้นมาว่าจิตจะตั้งค่าละตัวสังขารที่แท้จริงคือความทุ่มของจิตมันจะบอกขึ้นไปอย่างนี้ ใแ่แเราบอกจิตของเราที่มันว่างนั่นและมันบอกขึ้นมามันเป็นภูมิรูปภูมิธรับที่เราอาศัยสัญญาหรืออะไรต่างๆที่พิจารนณานันเป็นแนวเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติจะอย่างเราจะพิจารณาว่าผมผนเนปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกของเรานี่มันเป็นของปฏิกูลหน้าเปรตเ ก, ก็นนกเราก็นึกเอานึกเอานึกเอานึกเอานึกเอาว่าเอาเอาเอานเนอกนาเกนอกนอก ทีนี้เมื่อจิตมันจะรู้จริงขึ้นมาแล้วมันจะหยุดว่าจุดนึกนิ่งความนิ่งของจิตคือความว่างพอาว่างอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาบางทีมันจะเกิดเป็นนิมิตให้มองเห็นเป็นสิ่งที่ปฏิโหน้าเกล็ดนเน่าเปิดยผุพังขึ้นมาบางทีมันจะรู้แต่เพียงแค่ว่าใจน้อมนึกรู้ขึ้นมาว่าเป็นจริงอย่างนั้นเท่านั้นแล้วแต่ความไม่ใสของท่านผู้ใด เรากะนั่งการปฏิบัติธรรมนี่เราจะไปเก้ให้ปุ่มจิตภุม่มใจนี่เดินไปแบบเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันก็แม้แม้แะ่เพียงแค่ว่าผู้ที่ยังไม่เคยภาวนาไม่เคยทําสมาธิอาตมาเคยถามให้พวกที่เข้าโร ง, งพยาบาลผ่าตัดที่ถูกวาะอาสลบนะเคยถามเขา บางคนถามมาในขณะที่ถูกวางยาสลบนั้นความรู้สึกคนไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ทราบว่ามันไปอยู่ที่ไหนแต่บางคนมาถามล้วเขาจะบอกว่าในขณะที่ถูกวางยาสลบนั้นจิตมันมีอาการวูบๆๆๆๆไปแล้วก็ออกจากร่างไปรออยู่ครับแล้วมันก็ส่งกระแสมารูกว่าหมอก็ทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเรามันก็รู้อยู่ตลอดเวลา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 เบาจนกระทั่งบางครั้งไม่รู้สึกว่าเรามีกายานี่ลักษณะของสมาธิที่ถูกต้องแล้วเมื่อเลิกปฏิบททัติหรือออกจากสมาธิมาแล้วก็ทำให้กายเบาตลอดเวลาแม้จะลุกจากที่นั่งเนีย่ยอาการเหน็บชาหรืออะไรต่างๆจะไม่ปรากฏ พอเสรออกจากสมาธิเดินตาเส้นเข้งขึ้นมาแล้วก็ลุกเดินไปได้เลยไม่ต้องมาดัดแข้งดัดขาอันนี้คือสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องทีนี้สมาธิบางอย่างพอเดิมตาเส้นออกจากที่นั่งปฏิบัติแล้วบางท่านถึงกับนอนให้คนอื่นโนดเส้นโนดเอ็นก่อ น, นอันนี้ไม่ถูกต้องแน่สมาธิแบบนี้คล้ายๆกับว่ามีอํานาจอะไรสักอย่างหนึ่งบังคับ จะเรียกว่าอํานาจสะกดจิตก็ได้คือการสะกดจิตนั้นมันมีหลายอย่างสะกดด้วยอํานาจคาถาพรหมคําบริกรรมภาวนาวก็มีอย่างคนที่ปลุกพระเนี่ยพอพระใสมือแล้วก็ภาวนาห น, น้นาพระธาหน้าพระธาเดี๋ยวก็ตันตันตๆขึ้นนี่ถูกอํานาจสะกดจิตแล้วอํานาจอะไรอํานาจคาถาบริกรรมภาวนา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 ใครมีปัญหาสงสัยไหมเวลามาพบกันอย่างนี้ก็ถามแก้ได้ก็จะแก้ไม่แก้ก็แก้แกไม่ได้ก็สบปากเอาไว้ให้ผู้ถามัไปแก้เอาเองอัปปนาสมาธิกับอัปปนาทานต่างนันอัปปนาสมาธิอัปปนาทาน โดยลักษณะความสัมผัสไปตามจิตแล้วเหมือนเหมือนกันแต่อปนาฌ า, า, านนั้นมันมีลักษณะของความสงบของจิตที่ไม่ได้เดินตามลักษณะองฌานเดี๋ยวก็ผูกภาวนาแล้วจิตมันสงบโอ้ลงไปมันข้ามขั้นเป็นฌานที่ข้ามกันไม่ได้เดินไปตามลําดับ ลักษณะของการเข้าฌานนี่จะต้องเข้าไปตั้งแต่ฌานขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ฌานขั้นที่สี่นั่นแหละคืออัปปนาสมาธิอัปปนาฌาน่อัป ป, น า, า ป, ปนาสมาธิ อ, อัปปนาฌานนั้นมันเป็นฌานที่ไม่ประกอบด้วยองค์ไม่ได้ผ่านองค์ของฌานมาจกงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเรียกได้กันเพียงแค่อัปปนาสมาธิ ที่อัปปนาชานนั้นก็คืออัปปนาสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ผานองค์ชานมาโดยลําดับตั้งแต่วิตกวิจารปีติสุขเอกับคาตาชานที่หนึ่งมีวิตกวิจารปีติสุขเอกับคาตาอยู่ครบชาณที่สองวิตกวิจารหายไปยังเหลือแต่ปีติกับสุขเอกับคตา การขั้นที่สามปีตีหายเหลือแต่สุขกับเอกคตาฌานขั้นที่สสุขหายเหลือแต่เอกคตากับอุเบกขาแล้วก็เข้าไปสู่ฌานขั้นที่สี่เรียกว่าอัปปนาเารเรียกว่าถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เป็นอัปนาาอปนาสมาธิอัปปนาสมาธิที่ผ่านองค์ฌานมาเรียกว่าเรียกว่าอัปปนาฌาน ทีนี้อัปปนาสมาธิที่ไม่ได้่านองค์ฌานเรียกว่าอัปปนาสมาธิเฉยๆอ ว, ว่าบุบนั่นคือพวังใช่ ป, ะปะ่ะครับใช่บุคือช่วงว่างของจิตอย่างเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธโแล้วพอจิตทําท่าทำท่ทำาจสงบพอมันพุทโธพุทโธพุทโธจิตเข้าอยู่กับพุทโธ แล้วระหว่างที่จิตมันจะปล่อยพุโทโธนี่ไปถึงจุดที่สงบนิ่งท่วงกลางนี่มันว่างความว่างนี่เรียกว่าเขาวังที่นี่เขาวังคือการก้าวลงของจิตในเมื่อจิตตกเะวังบวกลงไปพขาบวบนิ่งถ้านิ่งแล้วไม่มีลักษณะเพราะความสว่างคือความพร้อมของจิตไม่เพราะ อ, อ่าไม่ไม่พร้อมที่จะตื่น ก็เป็นการหลับไปอย่างธรรมดาจะอย่างวิ้งลงไปแล้วหลับมืดไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้พอเวิ้งลงไปนิ่งพักเปิดสว่างกลงขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิแบบฟุกๆุกแต่ว่าใครทําได้กนนี้ทามามากๆไปหลายครั้งหลายคนแล้วมันก็ค่อยจำานาขึ้นแล้วมันก็จะติดต่อกันเองอันนี้เรากําหนดตอนระหว่างกลางนี่ไม่ได้ ตั้งแต่วิจารณ์กับเออัปนาสมาธิเนี่ยท่วงนี้มันว่างเรากำหนดไม่ได้ว่าจิตของเรานี่มันผ่านอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้เราเรียกได้แต่อัปนาสมาธิเฉยๆวางมีสี่ชนิรัะ แต่รวังนล่ตามในคัมภีร์พระธรรมท่านเขียนไว่มากมายแล้วเกิดต่ขอออกตัวว่าไม่เคยท่องจำเลยแค่นั้นเองไม่ขอต่อระวังคจานะระณะภวังอะไรต่ออะไรคำว่าของขันไว้มีมากมายก็เคยอ่านผ่านๆเหมือนกันสำหรับผู้ที่ แต่จด จ, จำเอาไป เ, ป, เป็นผู้เปือในการพูดการสนทน า, าก็เลยโปรดเปิดตำราของพระอภิธรรมแล้วต้องจำเอาจิตสภาพที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ตัว ในเมื่อปูภาวนามาทําจิตให้เกิดมีสติสัมปชัญญะสามารถระคับระฟองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้เจตที่ประกอบด้วยสติสติเป็นตัวเจตสติหรือคนที่ทำเป็นเครื่องอยู่ของจิตสิ่งนั้นเป็นเจตสติกธรรมหลักวิชาท่านก็บอกว่าทำที่ประกอบกับจิตเรียกว่าเจตสิก อันนี้หมายถึงว่าคนนุณนธรรมที่เราบาเพ็ญให้เกิดขึ้นเป็นเครื่องอาศัยของจิตอาศัยที่เรียกว่าเป็นคุณนธรรมนั่นเช่นอย่างความรู้สึกในกุศลตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจตสิกอันหนึง่งความรู้สึกในอกุศลตลอดเวลาก็เป็นเจตสิกอันหนึง่งเช่นอย่างจิตของเราเนี่ยมันหนักไปในความโลภความโรกรธความหลง ยกตัวอย่างเช่นอย่างควาโกรธเนี่ยในเมื่อมันกระทบตั้งเข้าไปบางครั้งเราไม่อยากโปรดเลยแต่มันก็โกรธมันก็อกโกรธไม่ได้สิ่งใดที่สามารถมีอำนาจที่จะปฏิวัติจิตของเราให้ไปสู่ความเป็นตามอานาจของเขาอันนั้นเรียกว่าเจตสิกคือธรรมที่ประกอบกับจิตเช่นจิตมีสติจิตมีสัมปชัญญะ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 สิ่งที่เป็นผลเกิดจากความดีคือการปฏิบัตินี้เป็นอย่างกายเป็นเครื่องรู้กับจิตในเมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงในกายเกิดมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นมาแล้วก็มีปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาสติปัญญาอันนี้เป็นเจตสิก คำว่าถกเถียงกันหรือสนทนากัน <c oughs> ส่วนมากนั้นมักจะหนักไปในทางภูมิรู้ภูมิรู้ด้วยปัญญาที่เราทรงจําด้วยสติปัญญาที่เราทรงจําหรือด้วยสัญญาที่เราทรงจํามาอสําหรับในแง่การปฏิบัตินั้นเรามุ่งที่จะพูดกันในแง่ประสบการณ์ ถ้าหากสมมติว่าจิตในความรู้สึกสัมผัสในเรื่องการรู้ทำเห็นทำนั้นมีลักษณะอย่างไรหรือจิตเป็นสมาธิมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จิตจะรู้ทำมีลักษณะอย่างไรจิตรู้ปัจจยรับมีลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นประสบะการณ์แต่ถ้าพูดถึงว่า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 แต่ธรรมะนั้นสามารถทำจิตให้สงบสว่าง ร, รู้จริงจิตจริงได้อยู่จะถือว่าเป็นการใช่ให้ได้หรือไม่อันนี้เ ป, น เ, ปนเป็นคำถามของขอ ง, ของท่านผู้หนึ่งซึ่งขอสมวนนาที่นี้ธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติไม่รู้จากเจือของธรรมะ แต่ก็สามารถที่ทำจิตให้สงบสว่างมีความเยือะเย็นรู้จริงเห็นจริงได้ธรรมะอนนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติของการรู้จริงเห็นจริงในธรรมะชั้นสูงเช็นอย่างสมมติว่า <c oughs> มีใครสักคนหนึ่งยกสำรับกับข้าวนานาชนิดหรือว่ากับข้าวมันมีหลายอย่างเขายกประวางลงตรงหน้าเราเนี่ย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 ทำมาเชืงเสริมกับจิตของผู้ปฏิบัติในระดับเหนือสมมติบัญญัตินั้นเราจะไม่มีชื่อเสียงที่จะเรียกชื่อธรรมะนั้นๆว่าอะไรมันมีแต่เพียงปรากฏการณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นอย่างที่ย่อปลักมาอ้างในทำใหจักกับปวัตตะสุขนั้นมีแต่ยังกินจิต ส, สมุทิยะธรรมังตะบันังนิโรธธรรมันติมีแค่นั้น ที่นีถ้าหากว่าจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยไปรู้ธรรมแล้วยังมีชื่อเรียกได้อยู่เนี่ยอันนั้นมันเน้นหนักไปในทางสัญญาความทรงจํามากกว่าความรู้จริงที่ในสัญญามันละเอียดเราก็ไปเชื่อความคิดของตัวเองว่าอันนี้คือความรู้จริงแต่แท้ที่จริง น, นความรู้จริงไม่มีจริง ถ้าว่าใครสามารถถอดจิตของตัวเองเนี่ยออกไปลอยเดินอยู่บนอากาศแล้วจิตมองมาดูร่างกายของตัวเองเนี่ยเห็นร่างกายมันเน่าเฟยผุพังลงไปจนกระทั่งมองเห็นโครงกระดูกจนโครงกระดูกมันแหลกละเอียดลงไปไม่มีอะไรเหลือโดยที่สดแม่โลกที่มองเห็นอยู่เป็นที่อาศัยนว่ก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวทีนี้ถ้าใครทาจิตให้ มีภูมโรูโ้ได้ถึงขนาดนี้แม้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวก็ตามจะหายสงสัยในคำว่ายังจินจินจิตสมุดญาติทำมังสพันธ์ตังนิโรธาทำมันจิทันที